พระอนุบัญญัติ98พิกษุต้องอาบัตรปาจิตตีเพราะนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนเพราะทำสงฆ์ให้ลำบากเรื่องพระชนะจบ